เป็นพ า, ารยะบุคคล น, นั้นมีโดยลําดับเพราะฉะนั้นการตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีโดยการศึกษาโดยลําดับสิกษาโดยลําดับนะสิก า, ามีกี่อย่างสามอย่างก็ต้องอธิศีลสิะศึกษาที่จิตสิกษาและอธิปัญญาสิกษาโดยลําดับและการกระทําโดยลําดับการกระทําหมายความว่าอะไรกระทําในทุดงขวัตเป็นต้น หรือกระทาในอนุปัสนาโดยลำดับแล้วก็มีการปฏิบัติโดยลำดับดูความพิสูนทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับโดยการกระทาโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรดูความพิสูนทั้งหลายกลุตมในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้ใกล้พระตนตรัยนะ เมื่อเข้าไปใกลย้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกลย้ย่อมเงี้ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดแล้วย่อมฟังธรรมครันฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมไว้ทรงอริยสัจฟังให้ดีจำอริยสัจให้แม่นแม่นอะไรเป็นอะไรย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงเอาไว้แล้วเอาธรรมะที่ที่จำไว้แลยเนี่ยมาไข้ครัวให้ดีเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความเพ่งพินิษ ถ้าเป็นคําสอนที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยต้องทนต่อการที่เจรณาแล้วไม่ขัดกันเองเนี่ยนะเมื่อธรรมะทนความพินิษได้อยู่ฉันท้าย่อมเกิดนะถ้าปฏิบัติถูกนะมันฉันทาเกิดนะฉันท้าแล้ว่าอะไรพอใจพอใจกับเต็มใจต่างกันไหมไม่ต่างกันนะคือถ้าเจริญไปจะยิ่งเบื่อยิ่งง ย, ยิ่งซึมเหมือนกับน้ําต้มไก่ของมันเลยไม่ดีแล้วนะต้อง ก็ต้องไม่ต้องตื่นตัวบ้างใช่ไหอ้ยศึกษาไปวันแรกนะฟิตมากเลยนะวันที่สองลดไปเหลือแ80ดสิบวันที่3มเหลือหกสิบวันที่สี่เหลือเหลือสี่ิบวันที่ห้ากลับบ้านได้แล้วงเงี้ยเบื่อเต็มทีแล้วอย่างเง้ยอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องวันที่1นะศรัทธา20เซวันที่2ต้องเพิ่มเป็นสี่เพิ่มไปเป็น60สิบแปดสิบเพิ่มเป็นร้อยมีแต่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะมาก็ว่างกันเลยถ้าใครศึกษานะแรกแรก จะบรรลุให้ได้วันที่สองแผ่วลงไปวันที่สามได้ยิ่งแผ่วแผ่วแผ่วแผ่ว ล, ล, ลงนะแสดงว่าผิดแต่ถ้าถูกนะก็ต้องเ พ, เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่รู้จักเบื่อเพราะเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะคือความเพียรครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองคือการเจริญวิปัสนาครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรเมื่อมีตนส่งไปแปลภาษาไทยว่าไงตนส่งไปสละความอะไรเยื่อใหยในร่างกายและชีวิต น้อมจิตของตนเนี่ยนะส่งไปย่อมทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะด้วยกายอันนี้คือนามากายนะย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งประมัทสัจจะคือนิพพานเนี่ยด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าหากว่าศรัทธาก็ไม่มีถ้าไม่มีศรัทธาจะมีการเข้าไปใกล้ไหมไม่มีการเข้าไปใกล้เมื่อไม่เข้าไปใกล้จะนั่งใกล้ไหมไม่นั่งใกล้ถ้าไม่นั่งใกล้จะเงีย่ยโสดลงฟังไหมไม่เงีย่ยถ้าไม่เงีย่ยโสตรลงแล้วจะมีการฟังธรรมไหม เมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมบอกไปนั่งใกล้แล้วก็ต้องฟังสิไม่แน่อาจจะไปพูดให้ท่านฟังใช่ไหมไม่ได้ไปฟังเองไปเล่าให้ท่านฟังนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ไปใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดก็ฟังทำเมื่อฟังแล้วก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ใช่ปัญญาเหมือนหน้าตักไม่ใช่ก็ต้องทรงจําธรรมะเอาไว้ให้ดีพิจารณาเนื้อความอันนั้น ทีนี้ธรรมะที่ได้พิจารณาแล้วก็เกิดฉันท่าอุตสาหะไตรตรองแล้วก็เกิดการตั้งความเพียรปฏิบัติตามนั้นถ้าหากว่าไม่ได้เป็นไปตามดังที่พูดแล้วนี่อะไรจะเกิดเธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดอันนี้บอกตรงตรงสูตรนีบอกชัดมากว่าผิดแล้วพลาดแล้วดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายโมฆาบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปไกล จากธรรมวิไนนี้ไกลเพียงไรแล้วเนี่นะห่างธรรมวิัยนี้เพียงใดอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่เป็นมากวัดเหมือนกันว่าเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเกือบไหมเกือบอะไรเกือบศรัทธานุสารีเพราะเราจะบรรลุปรารถนาบรรลุเรียกว่าฉันเนี่ยเป็นพระสุคดาบันแต่ว่าศรัทธานุสารีคืออะไรก็ไม่รู้เลยปัญญานุสารีไม่เข้าใจนั่นปริยัตฉันรู้แต่ปฏิบตัติได้ไหมสงสัยจะคนละอย่างของพระพุทธเจ้า ก็ในโลกนี้เขาบอกว่าคนปฏิบัติมีเยอะอนะออกมาบอกว่าเ อ, อ้ยยังไงยังไงก็ขอปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเขาว่าอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วได้ผลนะผลอันนั้นถ้าไม่ใช่ผลของพระพุทธเจ้าก็ไม่เอานะบางทีอาจจะคนละผลก็ได้ใช่ไหมคนละมรรคก็ได้คนละผลก็ได้หนักๆเข้าอาจจะพระพุทธเจ้าคนละองค์พระพุทธเจ้าของท่านคือใครเนี่ยนะก็ต้องมาคิดนะพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้านะ ท่านเป็นพระตถ า, าคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ, ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ ง, ง, งเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าอย่างนี้ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยู่แต่ถ้าคนละองค์อ่ะพระพุทธเจ้าของฉันนะมีอยู่ในนิมิตอยู่ในความฝันสิอย่างนั้นน่ะนะ่ฝันว่าเห็นฝันนี่ฝันนี่เห็นอะไรก็เห็นสีไม่ได้ฝันว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง นั้นคนที่เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือเห็นเห็นอรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าไปยังไงเนี่ยถึงโน่นเลยโดยสรุปนะโดยสรุปว่าวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ชี้กำหนดชี้ว่าบุคคลนั้นจะได้เป็นพระอริยบุคคลประเภทใดนะมีสมถนาหน้าไหมมีวิปัสสนาตามหลังไหม หรือว่าสมถาวิปัสนาดำเนินไปควบคู่กันไปนี่มาดูข้อความในสังขารุปเปกขาญาณหน้าสองร้ยหกสิบแปดข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดต่อไปว่าก็แลสังขารุปเปกขาญาณ น, นี้นั้นโดยเนื้อความก็เป็นญาณอันเดียวกันกับญาณ น, นะสองข้างต้นสองข้างต้นคืออะไรบ้างมุนจิตุกรรมมัตายานปฏิสังขายานเนี่ยนะ เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าสังขารุปเปกขาญาณ น, นี้เป็นญาณอันเดียวกันนั่นเองแต่ได้สามชื่อได้ชื่อสามชื่อคือเกิดตอนแรกตอนแรกนะชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยตาญาณท่ามกลางชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณเกิดในตอนท้ายตอนถึงยอดชื่อว่าสังขารุปเปกขาญาณก็แสดงว่าความแข็งแกร่งไม่เท่ากันญาณเดียวกันนั่นแหละแต่ตอนแรกตอนต้นเป็น มุนจิตุกรรมมยตายานท่ามกลางเรียกว่าปฏิสังขาท้ายที่สุดเรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณเรียกว่าถึงความแก่กล้าเต็มที่ก็ยกข้อความในปฏิสัมพิธามัสมารับสมอ้างว่าต่างกันแต่เพียงชื่อนะที่บอกว่าถามว่าปัญญาคือมุนจิตุกรรมมยตาปฏิสังขาสันติทาชื่อว่าสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเป็นอย่างไร ตอบว่าปัญญาคือความใคร่จะพ้นความพิจารณาความเพิกเฉยซึ่งอุ ป, ปาทะชื่อว่าสังขารุปเปขายานเพิกเฉยในอุ ป, ปาทะปัญญาคือความใคร่จะพ้นพิจารณาเพิกเฉยซึ่งปวัตตะนิมิตะข้อความก็ละถึงอายุหันะในเราเคยเรียนมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยอุ ป, ปาทะปวัตตานิมิตะเนี่ยเคยผ่านมาบ้างไหย ผ่านบ้างหรือเปล่าใครว่าไม่ผ่านยกมือขึ้นอะผ่านนั้นเหรอหน้าไหนอืหน้าไห น, หห น, ไ, หนไม่ใช่อ้างให้มันผันผ่านนะแม่เอาอ้างให้ผันผ่านเนี่ยอุ๊หของมานะเรื่องมั่วเนี่ยกให้เลยชั้นหนึ่งเลยตอนนี้เริ่มรู้กันนะใครมามั่วตามไม่ได้เพราะาเราเคยมั่วมาก่อนนะ ตกลงหน้าอะไรหน้าตองสองอ่ะตองสองสองสองสองหน้าสองรอยี่สิบสองพูดถึงอะไรอุปาทะปะวัตตนิมิตตอายุหณนะปฏิสนธิคตินิพติอุปติชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะและอุปาญาสิบห้าคำนั่นแหละสิบห้าคำอ่ะ ที่จริงเราก็เรียนมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ในอภินญญายนิเทศอภินญญายนิเทศก็เรียนมาแล้วมันปัญญาที่ที่พิจารณาเพิกเฉอยอุปาทะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นสังขารุปเปกขายานเพราะว่าไออุปาทะปวัตตนิมิตะอายุหะนปฏิสนทิคตินิพติอุบัติชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะ และอุปายาตพวกนี้นะคืออะไรคือวัตตะนั่นเองคือวัตตะที่เป็นไปในภูมิสามคือท่านท่านเบื่อที่อยากจะออกจากวัตตะเหล่านี้จริงๆทีนี้ก็พิจารณาหาทางหาทางเพื่อจะออกถ้ายังออกไม่ได้ก็ยังต้องทำไงเหมือนอะไรนะเหมือนกับคนที่เตรียมจะออกอ่า เ, เหมือนเหมือนอะไรเคยรอรถไหม รอรถแล้วก็เดินวนไปวนมาชะงเงอ้อดูรถนะรถยังไม่มาทําไงดีใจไหมที่ได้อยู่ตรงนั้นเฉยแต่เฉยแบบเฉยจะออกหรือเฉยจะอยู่เฉยจะออกแบบนั้นแหละคือเตรียมออกเต็มที่วิปัสนาเหล่านี้ก็เหมือนการพิจารณาไปพิจารณามาไม่เห็นนิพพานซากทีเลยก็พิจารณาต่อไปแต่พิจารณาแบบเตรียมบรรลุเต็มที่แล้วไม่ได้พิจารณาเพื่อจะเฉยแบบอะไรเนะเฉยอัญ ญ, ญาณนะีะเฉยโง่ไม่ใช่แน่นอน แต่เป็นงานเฉยเพื่อเตรียมออกเนี่ยนะเหมือนกับว่าอะไรนะพิจารณาดูแล้วดูอีกชะเงอ้อเอารถก็ไม่มามาพิจารณาดูไปดูมาชะเงอ้อดูอีกก็ไม่มาก็พิจารณาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะจนกว่าจะออกได้เนี่ยนะจนกว่าจะบรรลุได้มันก็ไอคําว่าเฉยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะสมัยใหม่ชอบอธิบายก็บอกไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจทําเฉยเฉยเข้าไว้เฉยแบบนี้มันเฉยด้วยโมหะเนี่ยนะ นั้นสังขารุปเปขาญาณ น, นั้นเป็นลักษณะการพิจารณาคือคือปัญญาที่ใครจะพ้นพิจารณาแล้วก็เพิกเฉยในธรรมะสิบห้าอย่างมีอุปาทาัปปวัตตนิมิตตอายุหนะเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาหาทางเพิกเฉยเพื่อจะออกจากวัตตะโดยส่วนเดียวเพราะก่อนหน้านี้แยกออกแล้วใช่ไหมแยกออกแล้วว่าเออเนี่ยอุปาทะเนี่ยนะเป็นภัยถ้าไม่อุบาทไม่อุปาทะถ้าไม่เกิดนี่ต้อง ปลอดภัยอุปาธาเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดนี้ต้องเป็นสุขความเกิดขึ้นมีอามิตรถ้าไม่เกิดนี้ปราศจากอมิตรการเกิดขึ้นนี้เป็นสังขารถ้าไม่เกิดเป็นนิพพานแยกสองส่วนนี้แหละรู้นแะล้วว่าจะต้อ ง, ต, องต้องดับพวกนี้ให้ได้แต่มันยังดับไม่ได้ทําไงก็หาทางต่อไปพิจารณาหาทางแต่ว่าหาทางแบบเฉยไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนเหมือนตอนต้นตอนตอน้ตนต น, ต น, ต น, นี่บอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ว เอาไม่มาสักทีอ่ะไม่บรรลุจะทำยังไงนะก็เหมือนกับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็เห็นภัยเต็มที่อ่ะนะก็เตรียมออกเต็มที่อนะ่ะ <c oughs> ในปาถฐเหล่านั้นปัญญาชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยตานั้นด้วยชื่อว่าปฏิสังขาด้วยชื่อว่าสันติตนาด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยตาปฏิสังขาสันติตนาอย่างนี้คือความไข่จะสมะระอุ ป, ปาทภวัตะนิมิตตาเป็นต้นนั่นแหละ แห่งพระโยคาวจรผู้เบือ่อนายอยู่ด้วยนิพิทานุปัสนาญาณในตอนต้นชื่อว่ามุลจิตุกรรมมัตายานอันนะเมื่อเบือ่อนายเบื่อหนายเต็มที่ก็อยากออกเต็มที่ใช่ไหมนั่นมันออกยังไม่ได้อ่ะจะไปทํำยังไงเคยมีหลายๆคนนะเขาเบื่อเต็มที่บางอย่างใช่เตรียมตัวจะออกแต่มันออกไม่ได้ทําไงก็หาทางอยู่นั่นแหละเบื่อเต็มทีแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะออกไม่รู้จะออกว่ายังไงเนี่ยนะ การพิจารณาในท่ามกลางเพื่อทําอุบายแห่งความปล่อยหรือความพ้นชื่อว่าปฏิสังขาก็เหมือนอ น, นะนะอุปมาเมื่อวานเหมือนกับจับงูมาแล้วก็แกว่งสามรอบรอบที่ห น, นึ่งอนิจจังรอบที่สองทุกขังรอบที่สามอนัตตาเพื่ออะไรแกว่งเพื่ออะไรเพื่อให้งูเนี่ยมันเมาจะได้ขว้างไปไกลๆแบบนั้นนี่ก็เหมือนกันให้วัตตาเนี่ยให้เมาอะไรนะให้หายเมาจากวตัตตานะให้มัตตาให้วัตตามันงงไปหมดเลย ส่วนความปล่อยแล้วปล่อยเสียแล้วในที่สุดก็วางเฉยได้ไอเฉยในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยสําเร็จน ะ, ะทางจะปล่อยเนะี่ยเตรียมปล่อยเต็มที่เรียกว่าสันติตนาได้แก่ยานที่ท่านหมายเอากล่าวไว้ว่าอุปาทะเป็นสังขารปัญญาชื่อว่าสังขารุปเปกขาเพราะอาาัตถวาวางเฉยในสังขารดังนี้เป็นต้นยานนี้จึงเป็นยานเดียวกันแน่เทียวเนี่ยนะคือบางคนก็ คือเป็นพวกนักแข่งคัดพยัญชนะมั่งมันจะต้องอย่างนี้แสดงว่าสมัยนั้นมีการถกเถียงกันมากจะต้องคนละอย่างคนละอย่างกันซิแต่ท่านบอกว่าอย่างเดียวกันอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเหมืนั้นเหมือนอะไรนะเหมือนบางทีเขาพูดซะจนเข้าจนอะไรนะไอ้ท่านบอกว่ามันเหมือนการต่างกันแต่พยัญชนะก็ยังพูดให้มันต่างกันจนได้พว้เรียนประธานมาจะรู้เลยนะเหมือนอะไรอนันตระปัจจัยกับ สมณันตระปัจจัยพูดจนต่างกันจนได้ก็อัตถกถาท่านบอกว่ามันต่างกันแค่พยัญชนะอะนะก็ยังเที่ยงกันว่ามันต้องต่างสิไม่ต่างพระพุทธเจ้าจะตรัสมาทําไม่อ่ะนะพูดจนต่างอนะทั้งๆที่ท่านก็บอกว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันนะนะและอะไรนะนัทีปัจจัยกับวิขตาปัจจัยเนี่ยมันเหมือนกันก็ยังบอกมันถ้าเหมือนแล้วพระองค์จะสอนทาไมเนี่ยนะเอาจนนั้นขนาดนั้นจนได้นี่ก็เหมือนกันบางทีก็อยไปคิดอะไรมากท่านบอกว่า คือการแสดงธรรมะเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจเพราะคํานี้บางคนก็เข้าใจเพราะอีกคําหนึ่งอันนันเข้าใจคําใดก็เอาไปเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าใจทุกคำใช่ไหมเข้าใจคําใดคำหนึ่งพอบรรลุอริยสัจได้ก็เอาตรงนั้นเป็นประมาณานะนะข้อเจ็ร้อยแปดสิบดกล่าวว่าอันหนึ่งเพึงทราบว่ายานนี้เป็นยานเดียวกันทีเดียวแม้ตามพระบาลีดังต่อไปนี้ข้อนี้สมจริงตามที่ท่านกล่าวไว้ว่า มุนจิตุกรรมมยตาอันใดก็ดีปฏิสังขานุปัสนาอันใดก็ดีสังขารูเปกขาอันใดก็ดีธรรมะเหล่านี้มีเนื้อความคืออัตถะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยันชนะเท่านั้นคนเดียวหลายชื่อได้ไหมได้นวิปัสนาของกุลบุตรผู้บรรลุสังขารูเปกขาญาณแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสิกขาปตตาแปลว่าถึงที่สุดนี่นะ ถึงที่สุดแล้วในถึงที่สุดของผู้ได้วิปัสนาเนี่ยนะเป็นวุฒธธานคามินีแปลว่าวุฒานะคือการออกนะเป็นการประพฤติเป็นการเพื่อออกจากวัตะอย่างแท้จริงคําว่าศิกขาปัตตาวิปัสสนาก็ดีวุฒธธานคามินีวิปัสสนาก็ดีเป็นชื่อของยานสามยานข้างคือสังขารุปเปขายานนั่นแหละนะเป็นชื่อของ มุนจตุกรรมมยตายานปฏิสังขาราณและสังขารุเปกขาานจริงอยู่วิปัสสนานั้นชื่อว่าสิกขาปัตตาเพราะถึงยอดคือความสูงสุดสูงสุดแล้วนะชื่อว่าวุธานาคามินีเพราะอัตถาว่าถึงอุานะอุานาแปลว่ า, า, าการออกเตรียมออกจากวัตฏะอย่างเต็มที่บอกไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่เธออยู่เธอจะให้ท่านเป็นจักรพัชอย่างไงไม่อยู่ไม่อยู่เป็นอะไรก็ไม่อยู่ว่างั้น มักท่านเรียกว่าวุฒานะเพราะออกจากวัตถุที่ยึดไว้อันเป็นนิมิตภายนอกแล้วก็ออกจากปวัตตะวิปัสนาชื่อว่าวุฒานะคามินีเพราะอธิว่าถึงซึ่งวุฒานะคือความความว่าสืบต่อกับมักเนี่ยนะวุฒานะเอะตัวที่ออกจริงๆเนี่ยนะมันต้องเป็นอริยมักจึงจะออกจริงถ้ายังไม่ใช่มักก็ยังไม่ออกจริงอถ้าออกเนี่ต้องออกในขณะ อริยมรรคอรหัตมรรคเนี่ยนะเรียขอไปในขณะโซดาปฏิมรรคเป็นต้นจึงชื่อว่าออกออกจากอะไรออกจากนิมิตและออกจากประวัตตานิมิตคืออะไรนิมิตคือรูปนิมิตคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณประวัตตะก็คือสมุทัยสัตจะแล้วก็วัตตะในภูมิสามเนี่ยนะอริยมรรคนั้นออกจากนิมิตแล้วก็ออกจากสมุทัยแล้วก็ออกจากพก เรียกว่าประวัติตรได้ส่วนวิปัสสนานั้นชื่อว่าวุฒฐานะคือการออกเหมือนการเพราะวิปัสสนานี้อยู่ติดๆชิดๆกับอริยมรรคถ้าวิปัสสนาไม่เกิดอริยมรรคจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาต้องมีก่อนอริยมรรคจึงเกิดในภายหลังถ้าวิปัสสนาไม่เกิดก่อนอริยมรรคเกิดไม่ได้อันนี้กฎตายตัวกฎตายตัวว่าวิปัสสนาต้องเกิดก่อนอริยมรรคจึงเกิดใน ภายหลังเนี่ยนะท่านในสุสีมาสูตรบอกว่าท่านจะเข้าใจหรือท่านไม่เข้าใจก็ตามวิปัสนาต้องเกิดก่อนอริยมรรคเกิดทีหลังเนี่ยนะต่อไปนี้เป็นมาติกาเพื่อประโยชน์แก่การแจ่มแจ้งแห่งการยึดและการออกยึดตัวนี้หมายถึงเจริญวิปัสสนานะออกหมายถึงออกจากวัตตะคำว่ายึดในที่นี้ไม่ได้ยึดถือนะแต่หมายถึงว่าการเจริญวิปัสสนาปรารบอะไร พินิเวสะตัวนั้นเป็นชื่อของวิวปัสนาพินิเวสะเป็นการยึดถือด้วยวิปัสนาวิปัสนายึดว่าอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ไม่ได้เป็นลักษณะยึดแบบอุปาทานเนี่ยนะไม่ใช่ยึดมั่นด้วยอำนาจตันหาอุปาทานไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการยึดเพื่อปรารบวิปัสนายึดโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเองอท่านวางมาติกามาติกาแปลว่า แม่บทแม่บทตรงนี้ท่านวางไว้ประมาณสิบแปดหัวข้อใหญ่เนี่ยนะประมาณสิบแปดหัวข้อใหญ่เป็นแม่บทที่ที่ควรกำหนดจดจำเพื่อจะได้เข้าใจถึงลักษณะของผู้ที่จะบรรลุว่าเขาบรรลุกันอย่างไรข้อหนึ่งก่อนไอ้บอกยึดภายในแล้วออกจากภายในข้อสองยึดจากภายในแล้วออกจากภายนอก ข้อสามยึดภายนอกแล้วออกจากภายนอกข้อสี่ยึดจากภายนอกแล้วออกจากภายในอันนี้นี้เป็นชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งเกี่ยวกับในกับนอกมีอยู่ทั้งหมดสี่ข้อเกี่ยวกับภายในภายนอกมีอยู่สี่ข้อส่วนข้อที่ห้าบอกว่ายึดรูปแล้วออกจากรูปหกยึดรูปแล้วออกจากอารูปเจ็ดยึดรูปแล้วออกจากเออเข้าไปข้อเจ็ดนะยึดในอารูปแล้วออกจากอารูปแปดก็ ยึดในอารูปแล้วออกจากรูปเนี่ยนะก็พวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องรูปอารูปนี้มีอีกสี่ข้อใช่ไมคิดง่ายๆว่าเกี่ยวกับภายในภายนอกสี่ข้อเกี่ยวกับรูปอารูปอีกสี่ข้อแล้วก็ข้อเก้าก็บอกออกจากขันห้าพร้อมกันทีนี้ข้อสิบเป็นต้นไปเนะี่ยเกี่ยวกับอนิตรายรักกันนะว่ายึดอนิจจังแล้วก็ออกทางอานิจจะลักษณะ สิบอกว่ายึดว่าเป็นอ น, นิจจังแล้วออกจากออกทางทุคลักษณะสิบสอบอกว่ายึดอ น, นิจจังแล้วออกทางอนัตตลักษณะสิบสาบอกว่ายึดเป็นทุกข์แล้วออกทางทุกคลักษณะสิบสยึดว่าเป็นทุกข์แล้วออกทา ง, ง 15, องาานอิจจลักษณะสิบห้าก็ออกทางยึดเป็นทุกข์แล้วออกทางอนัตตลักษณะสิบหยึดว่าเป็นอนัตตาแล้วออกทางอนัตตาสิบเจดยึดอนัตตาแล้วออกอนิจจังสิบแปด ยึดอนัตตาแล้วออกออกทางทุกขังเนี่ยวิธีบรรลุ น, นี่แสดงว่าวิจิตจริงๆเลยนะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างสิบห้าข้อถามว่ามันเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรบางท่านในพระศาสนานี้ยึดอยู่ในสังขารทั้งหลายภายในตั้งแต่ต้นทีเดียวยึดไว้แล้วก็เห็นสังขารเหล่านั้นแต่เพราะที่เหตุที่วุฒานะ คือมักจะมีได้โดยเหตุสักว่าเห็นภายในล้วนๆเท่านั้นก็หาไม่ต้องเห็นแม้ภายนอกด้วยทีเดียวฉะนั้นจึงเห็นขันทั้งหลายของผู้อื่นด้วยอนุปาทินกะสังขารทั้งหลายด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพระโยคาวจรนั้นย่อมพิจารณาภายในตามกาละอันสมควรพิจารณาภายนอกตามกาละอันสมควรเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาอยู่อย่างนี้วิปัสสนาก็สืบต่อกับมักได้ ในเวลาที่พิจารณาภายในท่านผู้นี้เรียกว่ายึดภายในแล้วก็ออกภายนอกเ อ, อ้าเข้าไปยึดภายในแล้วก็ออกภายใน ข้อที่หนึ่งนะมาลองดูนะยึดภายในใช่ไหมยึดภายในแล้วก็ออกภายในยึดหมายถึงว่าเจริญเจริญวิปัสนาเนี่ยนะปรารบภายในแล้วก็ออกจากภายในก็คือตอนบรรลุเนี่ยนั่นตอนบรรลุก็แบ่งละตอนปฏิบัติกับตอนบรรลุหรือเกือบบรรลุอ่ะนะจะเรียกว่า บรรลุเลยไม่ได้ต้องเกือบบรรลุเนี่ยเกือบบรรลุตอนไหนสมมติว่าตอนต้นนะลําดับแรกเริ่มต้นที่การพิจารณาสังขารภายในพิจารณาสังขารภายในเนี่ยในไหนก็ภายในตัวเนี่ยนะเริ่มพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอะ่ะ หรือขันเป็นต้นที่เป็นภายในภายในตัวจริงๆเลยพิจารณาจนละเอียดรอบครอบทีท่วนครบถ้วนหมดเลยทีนี้ท่านบอกว่าไม่มีผู้ใดพิจารณาแต่ภายในบรรลุหรอกจะต้องมีการพิจารณาภายนอกด้วยและไม่ใช่ภายนอกที่เป็นขันภายนอกเท่านั้นแม้แต่อนุปาทินกะสังขารเนี่ยนะอนุปาทินกะสังขารด้วย คือพิจารณาแม้กระทั่งมหาพูดเป็นต้นที่ไม่มีวิญญาณครองด้วยนะแล้วยังไงอีกแล้วในการพิจารณาเนี่ยพิจารณาโดยอ น, นิจจังด้วยทุกขังด้วยอนัตตาด้วยแล้วก็พอพิจารณาอย่างนี้จนถึงมรรควิถีขึ้นนะปฏิบัติจนบรรลุวั ง, งเกือบบรรลุมรรควิถีเกิดขึ้นมรรควิถีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก่อน มีอาวัชนะใช่อาวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมักผลผลมนโนทวาราวัชนะเนี่ยมีพิจารณาสังขารในสังขารในภายในตอนต้นเนี่ยเริ่มพิจารณาสังขารภายในแต่ตอนเกือกบบรรลุเนี่ยมนโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลม พวกนี้ก็พิจารณาสังขารภายในแล้วก็อริยมรรคยังโคตรภูมรผลผลพวกนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นนะขั้นตอนแรกเจริญพิจารณาสังขารภายในแล้วก็ไปพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาจนทั่วไปหมดนั่นแหละแต่ตอนมรคควิถีนั้นพิจารณาสังขารภายใน เช่นพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในโดยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแล้วก็สลัดออกจากพวกนี้พวกนี้ฝั่งนี้เรียกว่านิมิตนี่นะเรียกว่านิมิตนิมิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนิมิตคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิมิตคือขันธ์ธาตอายตนะที่ที่เป็นเป็นสังขารธรรมหรือพูดอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังขะธรรม น, นะนะส่วนพระนิพพานนี้เป็นอนิมิตะไม่มีนิมิตเลย น, นะะทีนี้เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นตัวตรงนี้นะโคตรภูนี่ออกได้หนึ่งอย่างโคตรภูนะออกจากสังขารโดยที่น้อมไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนอริยมรรคนี่ออกได้สองอย่างคือออกจาก น, นะหนึ่งออกจากนิมิต สองออกจากประวัติตะปวัตตะนี้ก็แบ่งออกเป็นอะไรออกจากสมุทัยออกจากสมุทัยคือออกจากสากายยะทิฏฐิวิจิกิชชาศีลพัตะปรามาเป็นต้นนะนะแล้วก็ยังออกจากอะไรภพที่แปดออกจากภพที่แปดถ้าเป็นมนุษย์นะั่นออกจากภพที่แปดแล้วก็ออกจากอบาย เนี่ยพันอรารยมรรคเนี่ยออกจากนิมิตและปะวัตตะเป็นการออกโดยอารมณ์ด้วยแล้วก็ออกโดยอะไรนะเหมือนกับขี่รถออกไปพ้นดินแดนของอ่าพ้นพ้นตัวสมูทัยตัวนี้ก็คือตัวกิเลสใช่ไหมออกจากกิเลสด้วยออกจากปฏิสนธิในภพที่แปดด้วยไม่ต้องถือปฏิสนธิในอบาย4ีอีกต่อไปด้วย วันทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะขึ้นต้นพิจารณาภายในก่อนพิจารณาภายในก่อ น, ราา น, อนหรือพูดแบบง่ายๆว่าเอาวัตถุภายในมาทำยาตะปริญญาตีระนาปริญญาป ร, านะปริญญาแล้วเอาวัตถุภายนอกมาทำปริญญาสามทั้งอนุปาทินกะมาทำปริญญาสามแล้วก็พิจารณาจงังหวะจนกว่าจะเบื่อหน่ายในวัตถุเบื่อหน่ายเต็มที่ที่ภายใน เบื่อนายเต็มที่ที่ภายในยก็เลยคลายกำหนัดก็บรรลุอริยมรรคไปเราก็เรียนเอาบุญไปก่อนอ น, นะบางคนบอกโอ้แล้วนี่ฉันจะบรรลุอะไรเนี่ยบอกโอ้เรียนไปก่อนเพอ่อทำยังไงเรียนไปจนกว่าจะเหลืออย่างเดียวอนะโออาหารเต็มโต๊ะอันตูนก็อร่อยอันนี้ก็อะไรยบอกคุณกินไปทุกอย่างแล้วคุณจะชอบสักอย่างเดียวแค่นั้นแ่ะ อันนี้ข้อที่หนึ่งผ่านไปนะในหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสี่ย่อหน้ากล่าวว่าถ้าหากว่าวิปัสสนาสืบต่อกับมรรคในเวลาที่เธอพิจารณาภายนอกท่านผู้นี้ก็แสดงว่ายุดภายในแล้วออกจากภายนอกตอนแรกเจริญวิปัสสนาภายในนะเบื่อที่สังขารภายนอกและบรรลุนะไปเปรียสำนวนแบบภาษาหนึ่งบอกไปกระดอนออกจากวัตตะในภายนอก ส่วนพวกที่ยึดภายนอกแล้วออกจากภายในออกจากภายนอกหรือเริ่มที่พิจารณาภายนอกออกจากภายในก็ไดท้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะพวกตรงตรงนี้มีสี่ข้อข้อที่หนึ่งพิจารณาภายในแล้วบรรลุ โดยการพิจารณาภายในข้อที่สองพิจารณาภายในและบรรลุตอนพิจารณาภายนอกข้อ3มพิจารณาภายนอกและบรรลุตอนพิจารณาภายนอกข้อ4ี่พิจารณาภายนอกและบรรลุตอนพิจารณาภายในคิดง่ายจำง่ายก็คือในในในนอกนอกนอก นอกแล้วก็ในนั่นนะสี่ข้อที่บอกว่าจุดเริ่มต้นกับตอนจบนะแต่ไอ้ระหว่างกลางเนี่ยเงื่อนไข ย, ยังไงก็ต้องทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งอุปาทินนกะทั้งอนุปาทินนกะจะต้องมีการพิจารณาทั้งหมดแต่เริ่มต้นทำปริญญาในวัตถุ ภายในแล้วก็บรรลุด้วยการพิจารณาภายในบางคนนี่เริ่มพิจารณาภายในแต่ไปเบื่อหน่ายแล้วบรรลุตอนพิจารณาภายนอกอะนะเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็สังเวชสลดใจอย่างสุดซึ้งบรรลุเลยะนะบอกไม่ไหวแล้วะนะคือคือบางคนเนี่ยนะภายในมันดีไปหมดเลยใช่ไหมสังเวชมากตอนเห็นภายนอกอะนะะ บางพวกนี้ภายในเนี่ยสลดเต็มที่แล้วนะก็เลยพิจารณาบรรลุเพราะพิจารณาภายในบางพวกนี้พี่ตอนต้นก็พิจารณาภายในแต่สังเวทใจเต็มที่ตอนพิจารณาภายนอกบางคนเนี่ยเริ่มต้นสังเวชพิจารณาภายนอกก่อนแล้วก็กลับมาพิจารณาภายในแล้วก็กลับไปพิจารณาภายนอกอีกก็เลยบรรลุเล ย, ยนะไอ้คาว่าไอ้พูดพูดเนี่ยมันย่อใช่ไหมแต่เอาจริงก็าาอาจจะเป็นหลายๆสิบปีก็ได้ ตอนต้นนี้สังเวทภายนอกพิจารณาไปพิจารณามาเอ๊ะภายในน่าสังเวทกว่าเลยบรรลุเพราะพิจารณาภายในทีนี้กลมเอินอีกต่อไปนะบางคนเนี่ยเริ่มต้นที่รูปแล้วบรรลุเพราะพิจารณารูปบางคนพิจารณารูปแล้วบรรลุที่ อรูปบางคนพิจารณาอารูปแล้วบรรลุที่อรูปบางคนพิจารณาที่อรูปแล้วบรรลุที่รูปพวกนี้ก็สี่ข้ออกีกคือคาว่ารูปก็คืออะไรอันนี้ก็คือรูปประคันอรูปอรูปคืออะไรอรูปก็คือนามขันเขียนผิดและอันนะ รูปคือรูปอาคารอ า, อารูปคือนามอาคารบางคนเนี่ยพิจารณารูปแต่พิจารณารูปล้วนๆบรรลุได้ไหมเอาแต่กายาล้วนๆเลยบรรลุไม่ได้เพราะถ้ารู้รูปจริงต้องรู้นามถ้ารู้นามจริงต้องรู้รูปปกติถือเป็นเรื่องธรรมดาอ่นะถ้ารู้รูปนามดีจริงถ้ารู้รูปนามภายในก็ต้องรู้รูปนามภายนอกถ้ารู้รูปนามภายนอกมันก็ต้องรู้รูปนามภายในอีกนั่นแหละเพรา ะ, ะพิจารณารูปโดยมาก แล้วก็ไปพิจารณานามพิจารณาทั้งนามทั้งรูปสลับไปจนมาเบื่อหน่ายแล้วบรรลุที่พิจารณารูปไอตอนแถวแถวไหนเนี่ยแถวแถวเนี่ยเป็นหลักแถวแถวมัคควิธีเนี่ยนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยพวกนี้มีเอาตอนท้ายเป็นหลักว่าบรรลุตอนที่ไหนเช่นบรรลุตรงนามขออภัยบรรลุตรงที่พิจารณาภายในบางพวกก็บรรลุที่ตรงพิจารณาภายนอกบางพวก บรรลุที่พิจารณารูปบางพวกบรรลุที่พิจารณาอารูปเนี่ยนะบางคนก็เห็นรูปโดยอา น, นิจังทุกขังอนัตตาแล้วบรรลุบางพวกตอนที่เห็นนาม น, นะถ้ารูปรูปง่ายๆก็คือเช่นกายานุปัสนาถ้าเป็นอารูปก็คือเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาส่วนธรรมานุปัสนานั้นก็เป็นทั้งรูปและนามเนี่ยนะแต่ก็มีกลุ่มพิเศษอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ คืออะไรนะท่านบอกว่าบรรลุพร้อมกันใช่ไบรรลุพร้อมกันว่ายังกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันธังนิโรตธรรมังคือพวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกพวกประเภทข้อที่เท่าไหร่ไอ้ที่บรรลุพร้อมกันเนี่ยข้อเท่าไหร่นะข้อเก้าอะพวกบรรลุพร้อมกันเนี่ยพวกนี้่มีปัญญามาก พวกนี้นะพิจารณาอะไรก็ชํานาญไปหมดคล่องแคล่วไปหมดพิจารณารูปก็ได้พิจารณานามก็ได้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามอะไรก็คล่องหมดและสปายะทุกอิริยาบถ ส, สบปายะทุกเวลาพวกนี้เก่งมากพวกพวกประเภทข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่เก้าเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าเป็นพิเศษบุคคลเป็นกลุ่มพิเศษบุคคลทีนี้ต่อไป ข้อต่อไปนี้บางคนเนี่ยเริ่มที่อ น, นิจจังบรรลุที่ไหนอ น, นิจจังรู้อ น, นิจจังอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรู้ทุกขังอนัตตานั่นแหละแต่ว่ามากไปด้วยอ น, นิจจังนี่นะเพรา ะ, ะ น, นเริ่มต้นที่อนิจจังบรรลุที่อนิจจังก็ได้เริ่มต้นที่อนิจจังบรรลุที่ทุกขังบางทีเริ่มต้นที่อนิจจังบรรลุที่อนัตตา บางพวกเริ่มต้นที่ทุกขังบรรลุที่ทุกขังบางพวกเริ่มที่ทุกขังบรรลุที่อนัตตาบางพวกเริ่มที่ทุกขังบรรลุที่อนิจจังนะบางพวกเริ่มที่อนัตตาบรรลุที่อนัตตาบางพวกเริ่มอนัตตาบรรลุที่อนิจจังบางพวกเริ่มที่อนัตตาบรรลุที่ ลูกขังก็ใครศรัทธายังไงก็ว่ากันไปคือท่านไม่ไม่บอกขอบเขตเลยนะว่าจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งคือคำภีร์นี้ท่านใจกว้างมากจะบรรลุยังไงได้ก็บรรลุไปเถอะเขาให้มันบรรลกกุใช้ได้แล้วเรียกว่าจะออกประตูไหนก่อนก็ออกเถอะว่าตามไม่ดีเนี่ยนะไฟลุกท่วมขนาดนี้ออกประตูไหนไดน้ก็ออกไปเถอะ คำนวนว่าถ้าจะออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ไม่ต้องลีลาชั้นเชิงอะไรมากนะขอให้มันหลุดได้ใช้ได้แล้วพวกลีลาบอกว่าโอ้โหไฟไหม้บ้านแย่บอกจะลงรีฟเท่านั้นอย่างเงี้ยนะงั้นก็ถูกไฟไหม้อีกร้าชาติอย่างเงี้ยในข้อมาดูทวนอีกครั้งหนึ่งในในข้อเจ็ดร้อยแปดสิบห้ากล่าวว่า พระโยคาวจรอีกท่านหนึ่งยึดอยู่ในรูปมาตั้งกับต้นทีเดียวยึดไว้แล้วก็รวมภูตรูปและอุปาทายรูปให้เป็นกองแล้วเหล็งเห็นไปแต่เพราะเหตุที่วุฒานะคือการออกจากวัฏฏะจะมีได้โดยศัก์แต่ว่าเห็นรูปรุนล้วนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องเห็นแม้อารูปด้วยทีเดียวฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นจึงเห็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณที่เกิดขึ้นทํารูปนั้นแหละให้เป็นอารมณ์วันนี้เป็นอารูปดังนี้ โยคาวจรนั้นย่อมพิจารณารูปตามกาละอันสมควรพิจารณานามคืออารูปตามกาละอันสมควรเมื่อเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้วิปัสสนาก็สืบต่อกับมรรคในเวลาพิจารณารูปท่านผู้นี้ชื่อว่าพิจารณารูปแล้วออกจากรูปเนี่ยนะก็เริ่มทั้งเริ่มต้นที่รูปแต่ก็พิจารณานามแล้วก็พิจารณาสลับไปสลับมาแต่ไปบรรลุที่พิจารณารูป ถ้าหากว่าวิปัสนาสืบต่อกับมรรคได้ในเวลาที่เธอพิจารณาอารูปไสท่านผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดจะรูปแล้วบรรลุที่อารูปอ่านะอารูปอารูปนั้นผิดนะลบให้หน่อยแม้ในการยึดอารูปแล้วออกจากอารูปหรือว่ายึดที่อารูปแล้วออกจากรูปก็ในยะเดียวกันมีมีมีพิมพ์เกินมาคำหนึ่งนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบรรทัดที่เจ็ด ก็ชื่อว่ายึดในอารูปเอาอารตัวนั้นออกอันนะก็ยึดในรูปแล้วออกจากอารูปอันนะที่ถูกเป็นอย่างนั้นส่วนในข้อเจ็ดร้อยแปดสิบหกล่าวว่าในเวลาที่ยึดอย่างนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีอันดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วก็ออกโดยประการอย่างนี้แหละชื่อว่าออกจากขันห้าพร้อมกัน นนะเพราะมีปัญญา ม, มาก น, นะส่วนเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในข้อ787กล่าวว่าพระโยคาวจรอีกขั้นหนึ่งพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังมาตั้งแต่ต้นทีเดียวแต่เพราะเหตุที่วุฐานะจะมีได้โดยศักแต่ว่าเห็นอนิจจังเท่านั้นก็หาไม่ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ด้วยต้องเห็นว่าเป็นอนัตตาด้วยทีเดียวฉะนั้นย่อมพิจารณาว่าเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเมื่อเธอปฏิบัติไปอย่างนี้วุฐานะก็ ก็เกิดขึ้นในเวลาที่พิจารณาว่าเป็นอนิจจังท่านผู้นี้ชื่อว่ายึดอนิจจังในตอนต้นใช่ไหมแล้วบรรลุตอนพิจารณาอนิจจารักษณะถ้าหากว่าวุฒานะมีในเวลาที่เธอพิจารณาว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดว่าเป็นอนิจจังแล้วออกทางทุกข์หรือว่าบรรลุที่อนัตตาเนี่ยนะเริ่มอนิจจ์บรรลุที่ทุกขังก็ได้เริ่มที่อนิจจ์บรรลุที่อนัตตก็ได้ อาจจะเริ่มที่ทุกขังแล้วบรรลุที่ทุกข์ก็ได้เริ่มที่ทุกข์บรรลุที่อนิจจังก็ได้เริ่มที่ทุกข์บรรลุที่อนัตตก็ได้เริ่มที่อนัตตาบรรลุที่อนัตตก็ได้บรรเริ่มที่อนัตตาบรรลุที่ทุกข์ก็ได้หรือบรรลุที่อนิจจังก็ได้ให้ไม่ได้สักอย่างนะนี่ยทางมีตังเยอะแยะน่าจะได้สักอย่างก็ในบรรดาชนเหล่านี้ทั้งท่านผู้ที่ยึดว่าเป็นอนิจจังทั้งท่านผู้ที่ยึดว่าเป็นทุกข์ทั้งท่านผู้ที่ยึดว่าเป็นอนตา และในเวลาที่ออกมีการออกทางอนิจจาลักษณะชนทั้งสามจำพวกชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยอธิมโมกย่อมได้ชื่อว่าสัททินรีย์ย่อมหลุดพ้นด้วยอนิมิตาวิมโมกชื่อว่าเป็นสัทานุสารีในขณะแห่งปฐมมรรคชื่อว่าเป็นสัทาวิมุติในฐานะเจ็ดที่เหลืออ่า น, นะเริ่มเริ่มที่ไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าบรรลุที่อนิจจงนะถ้าบรรลุที่อนิจจลักษณะเนี่ยผู้นั้นมียธิมโมกมากอินทรีย์ที่มีกําลังคือ สัททินรีอริยมรรคของเขาชื่อว่าเรียกว่าอนิมิตตาวิโมกก็ได้เป็นทราระยะประเภทสัทธานุสารีในขณะโสดาปฏิมักเจ็ดที่หลังจากนั้นเรียกว่าสัทธาวิมุตต์มันพวกที่อา น, นิจจังมากนะพวกนี้สัทธาแรงใครที่อา น, นิจจังมากพวกนี้สัทธาแรงอย่างคิดง่ายๆว่าใครที่รู้ว่าตัวจะตายจริงๆโอคิดถึงพระพุทธเจ้าเก่งมากแต่ถ้าใครคิดไม่ค่อยตายเป็นเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว ก็ถ้าหากมีการออกทางทุกขลักษณะ น, นะคือพิจารณาเริ่มจากตรงไหนก็ได้แต่ว่าก็เกืดอตอนบรรลุเนี่ยเห็นแต่ทุก น, นะก็เลยมากด้วยปัจสัทธิคือความสงบเธอย่อมได้ซึ่งสมาธิย่อมหลุดพ้นด้วยอัปปณิหิตาวิโมกเริ่มต้นเรียกว่าเป็นกายสักขีกายสักขีในฐานะทั้งปวงคือหมายถึงขณะไหนขณะอริยมรรคเนี่ยนะ ถ้าถ้าพูดตามที่อื่นเนี่ยก็กายสักขีตอนเป็นพระเสขะเป็นพระเสขะก็เป็นกายสักขีส่วนท่านผู้ใดในบรรดาชนเหล่านั้นมีอรูปเป็นบาต ท, ท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นอุปโตคาวิมุตในอรหัตผตลคือเป็นสกกาญาสักขีจนถึงอรหั ต, ตมัชใช่ไหมในขณะอรหัตผตลเป็นอุปโตภาควิมุตถ้าหากว่าชนเหล่านั้นมีการออกทางอนตัตตลักษณะ ก็แสดงว่ามากด้วยเวทเวทะคือความรู้ย่อมได้เฉพาะซึ่งปัญญีสีย่อมหลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมกชื่อว่าเป็น